พระพุทธศาสนาที่พวกเราให้ความเคารพนับถือเริ่มใสศรัท ธ, ธานี้เป็นเหมือนเรือที่จะพาผู้โดยสารให้ข้ามฟากจากฝั่งที่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีการเกิดแก่เจ็บตายให้ไปสู่ ฟากที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นเรือพาสัตว์โลกให้ข้ามฟากสัตว์โลกก็จะต้องติดอยู่ในฟากของโลกที่มีแต่การเกิดแก่เจ็บตายมีการเวียนว่ายตายเกิด ศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาเดียวในโลกที่สามารถพาสัตว์โลกให้ข้ามฟากไปสู่ฟากที่ปลอดจากการเกิดแก่เจ็บตายปลอดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศาสนาศาสนาอื่นๆในโลกนี้ไม่สามารถพาไปได้ เพราะผู้ที่เป็นศาสดาของศาสนาอื่นๆนี้ยังไม่มีความสามารถที่จะรู้ความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่รู้ว่าเหตุอันใดที่พาให้สัตว์โลกยังต้อง มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดกันศาสนาอื่นสอนได้ก็เพียงแต่สอนให้สัตว์โลกหลังจากที่ตายไปแล้วให้ไปอยู่ในสวรรค์แต่ไม่รู้ว่าสวรรค์ที่ไปอยู่นั้นยังไม่ได้เป็นสวรรค์ที่ถาวรเป็นสวรรค์ที่จะต้องเสื่อม แล้วก็ต้องพระให้ผู้ที่ไปอยู่บนสวรรค์นั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่แต่พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะทำบุญได้มากมาย่ายกอง ตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆก็ตามแต่บุญที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นก็ต้องมีวันหมดไปเมื่อหมดไปสัตว์โลกก็จะต้องตกจากสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เกิดมาแล้วก็มาทำบุญทำอะไรกันใหม่แต่จะไม่สามารถที่จะ หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆของสังสารวัตรได้สังสารวัตรนี้มีภพอยู่สามภพด้วยกันที่เราเรียกว่าใจภพใจภพนี้เป็นที่ไปของดวงวิญญาณของสัตว์โลกของมนุษย์ หลังจากที่มนุษย์ร่างกายของมนุษย์ตายไปดวงวิญญาณของมนุษย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะไปอยู่ตามภพต่างๆขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเราพวกเรานี่ถ้าเราตรวจตาดู ในการกระทําของพวกเราเราก็คงจะเห็นว่าเราทําบาบ้างหรือไม่เราทําบุญบ้างหรือไม่บุญและบาปที่เราทํากันอยู่นี่แหละเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปอยู่ตามภพต่างๆกันะแล้วก็หลังจากที่ไปอยู่ตามภพต่างๆนั้นได้เวลาหนึ่ง บุญหรือบาปที่ส่งเราไปนั่นก็จะหมดกำลังเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรามาเกิดเป็นมนุษย์เรามาทำบุญทาบาป พ, พอตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆ ภพนี้ท่านแบ่งไว้สามภพด้วยกันภพที่หนึ่งเรียกว่าการมาภพภพที่สองเรียกว่ารูปภพภพที่สามเรียกว่าอารูปภพนี่คือสัง ส, งสารวัตสังสารวัตรหรือวัตตะสงสารคือไตภพนี้เองเป็นที่สัตว์โลกเรา สลับกันไปสลับกันมาตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์พบมนุษย์นี้เท่านั้นที่เป็นพบที่สามารถสร้างบุญสร้างบาปได้ส่วนพบอื่นๆนี้เป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปไม่สามารถไปสร้างบุญหรือสร้างบาปในพบอื่นๆได้ มีแต่ภพของมนุษย์และของเดรัจฉานเท่านั้นที่มาสร้างบุญสร้างบาปกันภพเดรัจฉานก็สร้างบุญไม่ได้สร้างได้แต่บาปมีภพของมนุษย์ที่จะสร้างบุญหรือสร้างบาปแล้วก็ต้องไปเกิดในกามภพ บ, บ้างรูปภพ บ, บ้างอารูปภพ บ, บ้าง กามาพบนี้คือพบของสัตว์โลกที่ยังเสพกามคําว่ากามนี้หมายถึงกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถพพะพระผู้ที่ยังเสพยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระนี้เมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องมาเกิดในกามาพบ กามาพบนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองซีกด้วยกันซีกที่มีความสุขและซีกที่มีความทุกซีกที่มีความสุขเราเรียกว่าสวรรค์ซีกที่มีความทุกข์เราเรียกว่าอบายถ้าทำบาปผู้ที่ยังเสพกามอยู่เสพกามด้วยการทำบาปเช่นเราหาเงินหาทอง ด้วยวิธีทุจริตไปลักขโมยเงินทองของผู้อื่นเพื่อที่จะเอาไปเที่ยวกันเอาไปดูภาพยนตร์เอาไปดื่มสุราเอาไปหาความสุขทางตาหูจมูกล่างกายด้วยการทำบาปตายไปเนี่ยใจจะต้องใจหรือดวงวิญญาณนี้จะต้องไปอยู่ในอบายอยู่ในกามาพบ ที่เป็นสีกที่มีแต่ความทุกข์เนีถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปอยู่ในอบายของเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปอยู่เป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปอยู่เป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท โกรธเกลียดเครียดแค้นก็จะไปอยู่ในนรกคือดวงวิญ ญ, ญาณจะที่อยู่ในนรกนี้เป็นเหมือนอยู่ในเตาไฟดีๆนี่เองมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทรมานหาความสุขไม่ได้ดวงวิ ญ, ญญาณที่เป็นอสุรกายก็จะถูกความหวาดกลัวต่างๆคอยรุมเล้าจิตใจดวงวิญ ญ, ญาณที่ ดวงวิญญาณที่เป็นเปรตก็จะมีแต่ความหิวโหยครอบงำจิตใจดวงวิญญาณที่มีความหลงที่ทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทชนิดต่างๆนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนผู้ที่ได้ทำบุญ เวลาตายไปก็จะได้ไปเป็นเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆเทวดาก็มีแบ่งไว้หลายชั้นเพราะการทำบุญมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนั่นเองทำบุญมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงได้ความสุขมากทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำได้ได้ความสุขน้อย แต่ชีวิตของมนุษย์เรานี้เราอาจจะไม่ได้ทำบุญเพียงอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้ทำบาปเพียงอย่างเดียวเราอาจจะมีการกระทำผสมกันไปบางวันเราก็ทำบุญบางวันเราก็ทำบาปขึ้นอยู่กับอารมณ์บ้างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บ้างวันไหนอารมณ์ดีก็ทำบุญเวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ทำบาป วันไหนร่ำรวยมีรายได้เยอะก็มีโอกาสก็ทำบุญวันไหนมีรายได้น้อยก็อาจจะไปทาบาปเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มเติมอันนี้เป็นการกระทาบุญและบาปของมนุษย์เวลาที่มาอยู่มาเกิดเป็นมนุษย์กันทาบุญทาบาปไปตามวาระโอกาส ตามเหตุการณ์บ้างตามอารมณ์บ้างยกเว้นพวกที่มีนิสัยที่ชอบทําบุญไม่ชอบทําบาปพวกนี้จะทําบุญตามปกติจะไม่ทําบาปถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์มีอะไรมาบังคับถ้าจิตใจมีความแน่วแน่ต่อการทําบุญไม่ทําบาป ก็จะไม่ทําบาปจะมีแต่ทาบุญแต่มีน้อยที่มีจิตใจในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจิตใจแบบครึ่งๆกลางๆลาแล้วแต่เหตุการณ์จะพาไปแล้วแต่อารมณ์จะพาไปถ้าอารมณ์ดีเหตุการณ์ดีก็พาไปในทางที่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดี ก็พาไปในทางที่ไม่ดีดังนั้นชีวิตของมนุษย์จึงมักจะมีทั้งการทำบุญทั้งการทำบาปกวบคู่กันไปแล้วทีนี้เวลาตายไปจะไปทางไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าทำบาปมีกำลังมากกว่าทำบุญ บาปก็จะดึงใจไปทางอบายก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าบุญสูญหายไปเพียงแต่ว่าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปเลยดึงใจไปดับผลบาปก่อนพอผลบาปที่ดึงใจให้ไปอบายนั้นลดลงไปมามีกำลังเท่ากับบุญบุญกับบาปเท่ากัน ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงใจไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในอบายต่อไปได้ใจก็จะกลับหรือดวงวิญญาณก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในทางตรงกานข้ามก็เช่นเดียวกันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาป บุญก็จะเดืงใจให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอบุญลดกำลังลงอ่อนกำลังลงมีกำลังเท่ากับบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ต่อไปนี่คือการไปเกิดของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ยังพอมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็มีตาหูจมูกลิ่นกายก็ใช้ตาหูจมูกลิ่นกายนี้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างต่างอย่างที่พวกเราทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยตั้งแต่เติ่นขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มเสพกลามกันหารูปที่เราชอบดูหาเสียงที่เราชอบฟังมาเสพหากิน่นหารสอะไรมาเสพกันอยู่ตลอดแทบทั้งวันยกเว้นเวลานอนเท่านั้น นี่คือจิตใจที่ยังมีนิสัยเสพกามอยู่ตายไปหลังจากไปรับผลบุญผลบาปในกามะภพคือถ้าบาป พ, พาไปก็ไปเกิดในอบายแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบุญพาไปก็จะไปรับผลบุญไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ย่านต่างๆ แล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนผู้ที่มีโอกาสได้พบกับผู้ที่ฉลาดสอนให้รู้จักวิธีควบคุมใจทำใจให้สงบสอนวิธีนั่งสมาธิให้เข้าฌานขั้นต่างๆได้พรงนี้เวลาตายไปก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพ ถ้านั่งสมาธิได้ฌานได้รูปฌานสี่ขั้นด้วยกันคือรูปฌานหนึ่งรูปฌานสองรูปฌานสามรูปฌานสี่ตายไปก็จะไปเกิดในรูปภพเป็นสวรรค์ชั้นพรมเป็นสวรรค์ที่ละเอียดกว่าสวรรค์ชั้นเทพเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพส่วนผู้ที่สามารถนั่งสมาธิแล้วเข้า เข้าไปถึงขั้นอรูปฌานได้อรูปฌานนี้จะละเอียดกว่ารูปฌานจะมีความสุขมากกว่ารูปฌานผู้ที่สามารถเข้านั่งสมาธิเข้าไปสู่ขั้นอรูปฌานได้ mm hmm. เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในอรูปปภพคือเป็นเป็นอรูปปภมเป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่มีความสุข ที่ละเอียดได้ามากกว่าสวรรค์ชั้นรูปภพสวรรค์ชั้นเทพเนะี่ยสมาธินี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเสื่อมหมดกําลังได้เมื่อได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นอรูปภพได้อยู่ระยะหนึ่งกําลังที่ส่งให้จิตไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นก็จะหมดกําลังเจตก็จะต้องเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นต่ํา ต่อไปจากอารูปภพอรูปภพก็ลงมาสู่รูปภพจากรูปภพก็จะกลับมาเทวภพมาใส่รูปเสียงกลิ่นรสทิพแล้วพอเสื่อมจากเทวภพลงมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้คือเรื่องของสัตว์โลกคือดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปนี้ จะต้องมีการไปเกิดในที่ต่างๆตามอำนาจของบุญหรือของบาป ท, ที่ได้ทำไว้แล้วก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีเหตุที่ดึงให้กลับมาเกิดอยู่เหตุที่ดึงให้กลับมาเกิดนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ได้สงค้นพบว่าเหตุที่ดึงให้ดวงวิญญาณ หรือจิตใจของสัตว์โลกนี้ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาทำบุญทำบาปต่อไปนี่คืออะไระเหตุนั้นก็คือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เองอตัณหาทั้งสามนี้เป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในการมาพบ ในรูประพบและในอรูประพบอยู่การมตัิหาเป็นเหตุที่พาให้มาเกิดในการมภพภาวะตันหาเป็นเหตุที่พาให้ไปเกิดในรูประพบวิภาวะตันหาเป็นเหตุพาให้ไปเกิดในอรูประพบนี่คือเหตุที่ทำให้ดวงวิญญาณยังต้องมาติดอยู่ในใตายพบอยู่ถ้าต้องการที่จะ หลุดออกจากการติดอยู่ในไตยภพในการมภพบในรูปภพบในอรูปภพก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลแรกที่สามารถดึงดวงวิญญาณดึงดวงจิตของพระองค์ให้ออกจากตตยภพบได้และเครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ ในการดึงจิตใจให้ออกจากตายภพ ก, ก็คือทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้านำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเหล่านี้เองถ้าพวกเราสามารถทำบุญทำทานสามารถรักษาศีลสามารถภาวนาได้ครบเต็มร้อยเราก็จะสามารถดึงจิตใจของพวกเหล่านี้ให้ออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดในัตพบได้นี่คือสาเหตุว่าทำไมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาจุติมาปรากฏในโลกในยุคใดสมัยใดจะสอนเหมือนกันหมดสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนากันเพราะว่าเป็นความจริงที่เป็นอาการลิโก เป็นความจริงที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะกี่แสนล้านปีในอดีตที่ผ่านมาการติดการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณต่างๆก็เกิดจากกามะตันหาภาวะตันหาและวิภวตันหาการจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนา เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอดีตอันยาวนานที่ผ่านมาหรืออนาคตอันไกลที่ยังมาไม่ถึงความจริงที่ดึงให้สัตว์โลกติดอยู่กันเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ไม่เปลี่ยนไปไม่เหตุที่ทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี่ยังมาติดอยู่ในตายทบอยู่ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่ ถ้าเราไม่กําจัดกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเราก็จะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากตายภพหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพได้และการที่เราจะารู้เรื่องราวเหล่านี้ได้นั้นก็ต้องเวลาที่เรามาเกิดและมาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะไม่มีใครที่จะรู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครรู้เหตุที่พาให้สัตว์โลกยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครรู้เหตุที่จะพาให้สัตว์โลกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องมือ และมีพระอริยสงสาวกเป็นผู้ช่วยนำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้มีอยู่ในโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานถ้าถ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวาศาสนาพุทธนี้ก็จะไม่อยู่มาได้ถึงสอง0ันห้ากว่าปี ที่อยู่มาได้เพราะว่าถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระรมคาสอนมาสอนแต่ก็มีพระอริยสงฆ์สาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนี้ก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้ามีความสามารถที่จะพาสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด ให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นศาสนาพุทธนี่จึงมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่สามส่วนด้วยกันคือมีพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสู้วิธีที่จะพาให้สัตว์โลกได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่ทรงรู้แล้วก็ไม่ทรงเก็บเอาไว้ภายในใจทรงนํเอามาเผยแผ่ให้แก่ สัตว์โลกต่อไปในรูปแบบของพระธรรมคำสอนพอมีพระธรรมคำสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนก็จะรู้ว่าวิธีที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นทำอย่างไรพอปฏิบัติตามคำสอนก็สามารถที่จะนำตนเองให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็กลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมา ก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปได้พระพุทธศาสนาจึงมีอายุยืนยาวนานได้เพราะยังมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนด้วยพระอริยสงสาวกถ้าไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกนี้การเผยแผ่จะ ไม่เป็นไม่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เผยแผ่เองก็ยังไม่สามารถทำตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะไปสอนให้ผู้อื่นให้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรดังนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยนี้จึงต้องเป็นพระอริยบุคคล เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นผู้ที่เอาคําสอนพระธรรมคําำคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้และสามารถสอนให้ผู้ที่ไม่รู้นี้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จนสามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นถ้าดาบใดโลกนี้ยังมีพระธรรมคำสอนอยู่ยังมีพระอริยสงสาวกอยู่ราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังจะมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าถ้าไม่มีถ้ามีแต่พระธรรมคาสอนแต่ไม่มีพระอริยสงสารมา สั่งมาสอนศาสนาก็จะค่อยๆหดลงไปเพราะผู้ที่จะมาเผยแผ่คำสอนนี้จะไม่มีหรือมีน้อยผู้ที่จะศึกษาจากพระธรรมคำสอนโดยํำพังนี้ก็จะจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยากกว่ามีผู้สั่งผู้สอนแต่ผู้ที่ฉลาดจริงๆ ถ้ายังมีพระธรรมคําสอนอยู่ก็สามารถที่ศึกษาจากพระธรรมคําสอนได้ด้วยตนเองและนําไปปฏิบัติให้หลุดพ้นได้แต่ถ้ามีพระอริยสงสาวกอยู่ด้วยจะง่ายกว่าการศึกษาจากพระไตรปิฎกตามลําพังกับการไปศึกษากับพระสุปฏิปันโนพระอริยบุคคล น, นี้เหมือนกับ าการที่จะต้องไปาหาอาหารกินเองถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้เหมือนจะต้องไปหาอาหารมาทําม า, มาทํามากินเองแต่ถ้าไปศึกษากับพระอริยสงสาวกนี้ไปรับให้ท่านป้อนให้เร า, าท่านทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเพียงแต่อ้าป่าก ท่านั้นแ้วท่านก็จะตักอาหารใส่ปากให้เราเคี้ยวให้เรากินง่ายกว่าถ้ามีครูบาอาจารย์คอยสั่งไอสอนนี่ง่ายกว่าการศึกษาจากพระไตรปิฎกจากหนังสือด้วยตนเองเพราะพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นหนังสือที่มีข้อมูลมากมีเรื่องราวมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่ซ้ํากันแต่ ถ้าผู้ที่ศึกษายังไม่รู้ก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนซ้ำกันอันไหนไม่ซ้ำกันแล้วบางทีอ่านแล้วก็อาจจะสับสนได้อาจจะแปลความหมายไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่เข้าใจความหมายก็ได้ก็อาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างโอกาสที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นจึงยากกว่า การที่ได้มีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วผู้เดชได้ปฏิบัติจนบรรลุผลแล้วถ้าได้ศึกษากับพระอริยสงสาวกนี่จะง่ายกว่าเพราะท่านจะชี้ไปที่ประเด็นสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วง่ายได้แอ่ทางนี้ทางนั้น การที่ศาสนาจะอยู่ได้นี้ก็ต้องมี อ, องค์ใดองค์หนึ่งในพระรัตนใยอยู่มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคาสอนหรือมีพระอริยสงสาวรโยุคแรกๆนี้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนยังไม่มีพระธรรมคาสอนพอยังไม่มีพระธรรมคำสอนก็ยังไม่มีพระอริยสงสาวก พอพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคําสอนมีผู้ฟังนำเอาไปปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาได้ะพรศาสนาก็เลยปรากฏขึ้นมาได้พระพุทธศาสนานี้จะปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ได้ก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นส่วนประกอบต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เริ่มสั่งสอนคําพระธรรมคําสอน แล้วมีผู้ศึกษานำเอาพระธรรมคําสอนไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาพอมีพระอริยสงสาวกแล้วถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ทัปรารณิพานไปพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้หมดไปกับการสิ้นสุดของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้โดยอำนาจของพระธรม ร, รมคาสอน และด้วยอำนาจของพระอริยสงสาวกพระพุทธศาสนาของพวกเราจึงอยู่กันมาได้จนถึงบัดนี้คือ 2,500 กว่าปีด้วยกันและถ้าเป็นไปตามคำทานายของพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ต่อไปอีกประมาณ 2,500 กว่าปี 2,400 กว่าปีคืออยู่ได้ถึงประมาณ 5,000 ปีด้วยกันนี่คือ อายุของพระพุทธศาสนาที่พวกเรากำลังเคารพนับถือกำลังเริ่มใสยศรัทธากันอยูแ่แต่ในที่สุดพระพุทธศาสนาก็จะต้องสูญหมดไปตามอำนาจของกฎอนิจจังของไตรลักษณ์ที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปธรรมดาแต่ก็ไม่ได้จะหมดไปอย่างถาวอน ต่อไปข้างหน้าในอนาคตที่ยาวไกลก็จะมีคนที่ฉลาดมาตัดสัตวเป็นพ ร, พระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วก็นําเอาคําสอนมาสอนสัตว์โลกเพื่อพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปพระพุทธเจ้านี้มีมาเกิดอยู่เรื่อยๆมีมาประกาศพระธรรมคําำคำสอนให้แก่สัตว์โลกอยู่เรื่อยๆ เพียงแต่ว่าระยะเวลามันห่างไกลมากเป็นระยะเวลาเป็นกับกับหนึ่งในในยุคปัจจุบันเราอาจจะบอกว่าเป็นแสนแสนล้านปีก็ได้เอาแสนมาคูณแสนมาคูณล้านปีถึงจะได้สักหนึ่งกับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะคำสอนช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนา สันโลกก็จะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จําเป็นที่จะต้องรองให้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลกและก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่สันโลกได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยถ้าไปอยู่ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็จะ ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับมนุษย์แต่ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านสามารถติดต่อกับเทวดาได้สามารถเผยแผ่คำสอนให้แก่เทวดาได้แต่เทวดาก็ต้องเป็นเทวดาที่ใฝ่ธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลถ้าเป็นเทวดาที่ใฝ่เที่ยวใฝ่หาความสุข ก็จะไม่เข้าหาพระพุทธเจ้าหรือถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่มีโอกาสเช่นสัตว์เดรัจฉานที่เกิดอยู่ที่อยู่ในป่านี้ถึงแม้จะอยู่กับพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเพราะไม่สามารถเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ หรือถ้าไปเป็นดวงวิญญาณอยู่ในอบายเป็นเปรตเป็นอ ส, สุลกายไปอยู่ในนรกก็ไม่สามารถที่จะมารับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นและการจะได้กลับมาเกิดเป็นนุษย์แต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลานานมากเพราะหลังจากที่ตายไปแล้วก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วเมื่อ มีเมื่อพร้อมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรอคิวก่อนเพราอมนุษย์นี่ก็ต้องมีพ่อมีแม่ถึงจะสามารถมาเกิดได้ต้องมีลูกแล้วถ้ามาอยู่ในยุคที่เขามีการทำหมันกันโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยิ่งยากขึ้นไปอ่ะอยังในยุคปัจจุบันนี้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านร่างกาย รู้วิธีทำหมันรมป้องกันไม่ให้มีการตั้งคันขึ้นมาโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยึงยากแสนยากแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากแสนแสนยากอีกชั้นหนึ่งเข้าไปดังนั้นพวกเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นพวกที่มีมมีโชคมหาศาลที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะนี้ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเพราะข่าวหน้าถ้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเลยห้าพันปีไปแล้วโดยพัดโดยสองพันสี่ร้อยกว่าปีไปแล้วกลับมาเกิดก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเราเราก็ต้องรอไปอีกแสนแสนล้านปีกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ มาตัดสั่ง ม, มาสอนสัตว์โลกเหมือนกับพระพุทธเจ้าของพวกเราและในช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะเดียวกับที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ดังนั้นโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้จึงถือว่าเป็นโอกาสที่แสนยากยากยิ่งกว่าการถูกรถตรัตลี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งด้วยซ้าไป คิดดูกันแล้วกันว่าการถูก ร, ตตรัตตลีรางวัลที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งนี้มันยากง่ายเพียงใดแล้วต้องมาถูกรตตลีรางวัลที่หนึ่งถึงร้อยครั้งนี้มันยิ่งยากขนาดไหนนั่นแหละคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันยากยิ่งกว่าการถูก ร, ตตรัตะลีรางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งด้วยกันดังนั้นพวกเรานี้จึงถือว่ามีโชคมหาศาล เหมือนคนถูกรัตเตอรี่เวลาถูกรัตตเตอรี่แล้วต้องทำไงก็ต้องไปขึ้นรางวัลใช่ไหมไม่ใช่เก็บรัตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็นอนยิ้มดี อ, อกดีใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอถูกรัตต์เตอรี่แล้วสิ่งที่ผู้ถูกรัตเตอรี่ต้องทำก็คือต้องไปขึ้นรางวัลฉันใดพวกเราก็เหมือนกันพวกเรานี้เหมือนกับพวกที่ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้ว แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลของศาสนาพุทธก็คือต้องไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนเราถึงจะได้รับรางวัลคือมรรคผลนิพพานนี่เองมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งถ้าเราศึกษาเราก็จะได้เรียนรู้ว่าวิธี ที่เราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี้ทําอย่างไรวิธีที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือการทําทานการรักษาศีลการภาวนานี้เองซึ่งเวลาที่เราเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นในระดับขั้นอนุบาลไปก่อนคือเราไม่สามารถทําทานได้ร้อเอร์เซ ไม่สามารถรักษาศีลได้ร้อยเปอร์เซนตไม่สามารถภาวนาได้ร้อยเปอร์เซนตตอนต้นเราก็ต้องทำไปตามกำลังของเราก่อนทำทานก็อาจจะทาร้อยละสิบของทรัพสมบัติที่เรามีอยู่รักษาศีลก็อาจจะรักษาศีลได้ร้อยละสิบของเวลาที่เราเวลาที่เราตื่นภาวนาเราก็อาจจะภาวนาได้ ร้อยละสิบคืออาจจะนั่งสมาธิได้วันละครึ่งชั่วโมองอย่างนี้รักษาศีลก็อาจจะรักษาศีลได้เฉพาะวันพระอย่างนี้ก็เรียกว่ายัางไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนจะต้องเริ่มเหมือนกับการศึกษาให้ไปถึงระดับปริญญาเอกก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงระดับปริญญาเอกได้เราก็ต้องเริ่มที่ระดับอนุบาลก่อน เรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามกา่อนเพราะกำลังเรามีน้อยเด็กอนุบาลมีกำลังน้อยที่จะเรียนรู้อะไรได้น้อยก็เลยต้องเริ่มที่ขั้นต่ำก่อนขั้นที่ง่ายกา่อนทำไปตามกำลั ง, งก่อนพอได้เรียนจบอนุบาลก็จะมีกำลังขึ้นสู่ระดับประถมพอจบประถมก็จะมีกำลังที่จะขึ้นสู่ระดับมัธยม พอผ่านระดับมัธยมก็จะมีกําลังเข้าสู่ระดับปริญญาตรีจากปริญญาตรีก็ขึ้นสู่ปริญญาโทและในที่สุดก็ไปจบที่ปริญญาเอกได้ขั้นใดการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกําลังของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็ถ้ายังไม่เคยทํามาในอดีตเลย บางพวกบางท่านเคยอาจจะพบกับศาสนาพุทธมาก่อนในอดีตชาติได้เคยทําบุญทำทานได้เคยรักษาศีลได้เคยภาวนามาบ้างแล้วพอมาทําในชาตินี้ก็อาจจะไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก็ได้ถ้าเคยทำร้อยละห้าสิบก็จะทําต่อไปได้เพราะมีกําลังที่จะทําต่อได้ถ้าเคยทำร้อยละเจ็ดสิบก็จะทําต่อที่ร้อยละเจ็ดสิบไปได้ ดังนั้นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาจึงมีการปฏิบัติต่างระดับกันบางคนก็ปฏิบัติได้มากกว่าบางคนก็ปฏิบัติได้น้อยกว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมายาวนานก็ตามแต่พอได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพื่อนคนหนึ่งก็ไปปฏิบัติได้ออกเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ยังไปไม่ได้ เพราะคนที่ไปไม่ได้ยังไม่มีกำลังพอคนที่ไปได้มีกำลังมากพอที่จะไปเขาก็ไปของเขาเองนี่คือทำไมคนที่มานับถือศาสนาพุทธจึงมีการปฏิบัติมากน้อยไม่เท่ากันก็เพราะว่าอินทรีย์หรือบุญที่ได้ก่อไว้ในอดีตชาติมีกำลังไม่เท่ากันนั่นเองอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์ อินย์คือกำลังของจิตใจมีอยู่ห้าประการด้วยกันคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพี่ยนสติการละเลึกรู้สมาธิการตั้งมั่นอยู่ในความสงบและปัญญาความฉลาดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณอันนี้เป็นอินย์ของ ผู้ที่มีมาไม่เท่ากันเพราะในอดีตชาติที่เรามาเกิดนี้เรามาสร้างอินทรีย์ไม่เท่ากันบางคนก็สร้างอินทรีย์มากกว่าบางคนบางคนก็สร้างน้อยกว่าพอมาเกิดในชาติปัจจุบันมาได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงมีกําลังทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาไม่เท่ากันนั่นเอง บางคนก็ทำได้เพียงร้อยละสิบเพราะยังต้องเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่บางคนทำได้ร้อยละห้าสิบเพราะว่าไม่ต้องเอาเงินไปซื้อความสุขมากเพราะภาวนาได้ร้อยละห้าสิบก็มีความสุขจากการภาวนาได้ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากต่อการไปซื้อความสุขด้วยเงินทอง ก็เอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขนั้นมาทำบุญนดะบางคนก็ทำทานรักษาศีลภาวนาได้ระดับร้อยเลยเต็มร้อยเลยเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่างพอพระพุทธเจ้าถึงเวลาพร้อมที่จะออกบวชพระพุทธเจ้าก็พร้อมที่จะทำทานได้ร้อยเปอร์เซ็นะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็สละไปหมดสละราชสมบัติ แล้วก็ไปบวชรักษาศีลได้ตลอดเวลาแล้วก็มีเวลาภาวนาได้ตลอดเวลานี่แหละต้องมีการปฏิบัติเต็มร้อยถึงจะสามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เข้าสู่การบรรลุการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ก็ต้องทําไปตามกําลังตามอินทรีย์ของแต่ละ ของแต่ละผู้ปฏิบัติจะไปเปรียบเทียบคนนั้นกับคนนี้ไม่ได้เพราะว่ากําลังไม่เท่ากันเหมือนคนที่เขาวิ่งทําไมบางคนวิ่งมาลารทอนได้เต็มเต็มมาลารทอนบางคนวิ่งแค่ครึ่งมาลาร์ทอนบางคนวิ่งแค่มินิมาลาร์ทอนเพราะว่ากําลังวิ่งมีไม่เท่ากันเพราะได้รับการฝึกฝนอบรมในการวิ่งมาไม่เท่ากันนั่นเอง คนที่วิ่งได้เต็มร้อยเพราะเขาฝึกมานานฝึกมายาวกว่าคนที่ฝึกคนที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะเขาฝึกน้อยกว่าอันนี้อยู่ที่การสร้างกำลังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจก็เหมือนกันจิตใจของผู้ปฏิบัติจึง ม, มีมีกำลังมากน้อยไม่เท่ากันพอถึงเวลาที่จะไปปฏิบัติก็เลยปฏิบัติได้ไม่ กันบางคนก็ไปบวชได้เลยบางคนก็ยังต้องอยู่เป็นคารวะไปก่อนเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปก่อนเอถือศีลแปดไปก่อนเข้าวัดเฉพาะวันพระวันธรรมดายังต้องกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวยังต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เอก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้อย่างเต็มร้อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป้าหมายก็คือต้องทำให้ได้เต็มร้อยถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งเป้าว่าเราจะต้องอทำบุญทำทานให้ได้เต็มร้อยคือจะไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเราก็จะทำจากน้อยไปหามากลดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่าง เวลาอยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญการทำบุญนี่แหละเป็นการหยุดความอยากเที่ยวได้ทุกครั้งที่เราอยากเที่ยวเราก็เอาเงินไปทำบุญเมื่อความอยากเที่ยวไม่ได้รับการตอบสนองความอยากเที่ยวมันก็จะอ่อนกำลังลงไปน้าหมดไปเมือก็ความอยากสูบบุหรี่หรือความอยากดื่มสุราอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความอยากดื่มแล้วถ้าดื่มมันก็จะอยากไปเรื่อย แต่ถ้ามันอยากดื่มอยากสูบแล้วเราไม่ดื่มไม่สูบต่อไปความอยากดื่มความอยากสูบมันจะหายไปนี่คือหน้าที่ของการทำทานการทำบุญทาทานนี้มีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อที่เราจะมาหยุดความอยากใช้เงินไปซื้อไปซื้อความสุขต่างๆตามความอยากตามความอยากคือกามะตัณหานี่นความอยาก อยากทางตาหูจมูกเิ่นกายอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปดูไปฟังนี่เอาเงินที่จะไปใช้กับการเที่ยวกินดื่มนี้เอาไปทำบุญแล้วเราจะได้รับความสุขที่ดีกว่าด้วยความสุขที่ได้รับจากการทำบุญนี้เป็นเหมือนกับความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารส่วนความสุขที่ได้รับจากการไป เที่ยวไปทําอะไรตามความอยากนี่เป็นความสุขที่เหมือนกับได้จากยาเสพติดนะมันทําให้หิวเวลาเสพยาเสพติดนี่เสพมันอิ่มเดี๋ยวเดียวอิ่มแล้วเดี๋ยวมันก็หิวขึ้นมาทันทีเหมือนกับกินอาหารกินอาหารอิ่มแต่ถ้ากินยาเสพติดนี่มันจะหิวอยู่เรื่อยอยากจะเสพอยู่เรื่อยนี่คือเครื่องมือของการที่เราจะกําจัด ความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความอยากไปหาความสุขต่างๆด้วยเงินทองเพราะว่าถ้าเรายังต้องหาความสุขจากการใช้เงินทองอยู่เราก็จะต้องหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆนั่นเองเมื่อเราหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปปฏิบัติไปภาวนาได้นั่นเอง ถ้าทําได้ก็น้อยทําได้แค่เพียงเล็กน้อยอยู่ที่บ้านเช่นก่อนนอนอาจจะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงเติร์นขึ้นมาอาจจะนั่งสมาธิอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะทําได้เท่านั้นเองภาวนาศีลก็อาจจะขาดรักษาแบบขัดขาดเกินๆบางวันก็รักษาได้บางวันก็รักษาไม่ได้เพราะบางทีอยากจะได้เงินบางทีก็ยังต้องโกหกบ้างบางทีก็ต้องโกงบ้าง เพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อความสุขต่างๆแต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติไปทาทานไปพยายามฝืนใจบังคับใจอย่าไปทำตามใจอยากถ้าเราฝืนได้เราก็จะลดความอยากใช้เงินได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่หาเงินมากการจะรักษาศินก็จะรักษาได้ง่ายกว่า พราะไม่มีเหตุมากดดันให้เราต้องไปทํำบาปในการหาเงินหาทองแล้วก็จะทําให้เรามีเวลามากขึ้นต่อการมานั่งสมาธิมาภาวนามาทําใจให้สงบนั่นเองต่อไปเราก็จะทําบุญเพิ่มขึ้นจากร้อยละสิบเป็นน้อยละสามสิบศีลก็จะมีมากขึ้นเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบการภาวนาก็จะมีมากขึ้นไป พอมันอยู่ขีดเกินห้าสิบนี้มันก็จะเริ่มไปเร็วขึ้นะพอครบร้อยก็พร้อมที่จะไปบวชได้พร้อมที่จะไปอยู่คนเดียวไปอยู่วัดเหมือนกับพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติพวกเราก็สละบ้านเรือนสละข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่เหมือนกับครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากล่าวไหวบูชา หลวงปู่มั่นหลงปู่ขาวหลวงปู่พรมหลวงปู่อะไรต่างๆหลวงตาหมาบัวท่านก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นในที่สุดท่านก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันไปแล้วท่านก็สามารถไปรักษาศีลได้ตลอดเวลาแล้วก็มีเวลาภาวนาได้ตลอดเวลาพอมีเวลารักษาศีลได้ตลอดเวลา มีเวลาภาวนาได้อย่างตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจิตก็จะมีกำลังอินทรีย์ก็จะกลายเป็นภละห้าขึ้นมาอินทรีย์ห้าศรัทธาที่ยังไม่แน่นอนยังล้มลุกคลุกคานอยู่ก็จะเป็นอาจารละศรัทธาขึ้นมาศรัทธาที่แก่ก้าศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องการอะไรอีก นอกจากการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเมื่อมีศรัทธาระดับนี้ความเพียรก็จะเต็มร้อยจะท่วมเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเดินจงกลมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเจริญสติทั้งวันทั้งคืนสลับกับการนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนสลับกับการเจริญปัญญาทั้งวันทั้งคืน อินทรีห้านี้ก็จะเริ่มมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับถ้าอินทรีห้ามีกำลังครบร้อยเมื่อไหร่กามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาที่มีอยู่ในใจก็จะถูกกําจัดไปหมดกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหานี้มันสู้พลังของพระห้าไม่ได้สู้กำลังของศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาไม่ได้ พอพระพุทธเจ้านี้ทรงใช้พละห้านี่เป็นตัวเป็นเครื่องมือกำจัดดิเล ต, ตันหาตัวที่คอยดึงให้สรรโลกดวงวิญญาณของพวกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองพอเรามีสติเต็มร้อยเรานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้เต็มร้อยเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้พอออกจากอัปปนาสมาธิมาจิตก็จะมี ดวงตาเห็นธรรมเต็มร้อยเห็นตลอดเวลาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, าตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลาพอาเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมามันก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราหรือถ้าไปรักไปชอบใครก็จะเห็นอสุภะขึ้นมาทันทีก็จะก็จะไม่ไม่อยากจะรักใครถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ไม่สวยไม่งาม ที่รักเพราะว่าเห็นว่าสิ่งนั้นสวยว่างามพอเห็นว่าไม่สวยไม่งามความรักในสิ่งนั้นก็จะหายไปความอยากได้ในสิ่งนั้นก็จะหายไปอันนี้มันต้องเต็มร้อยปัญญาต้องเต็มร้อยมันคือมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอาวุธ ป, ปืนก็ต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มีอาวุธ ป, ปืนแต่ไม่พกเพราะถ เ, เวลาเจอศัตรูขึ้นมาไม่รู้ไปหาไม่รู้ปืนหายไปไหน เวลาเกิดความอยากขึ้นมาอันนี้จังทุกขังหน้าตาไม่รู้หายไปไหนอสุภาไม่รู้หายไปไหนนี้แสดงว่าปัญญายังไม่เต็มร้อยถ้าปัญญาเต็มร้อยมันจะอยู่คู่กับใจเหมือนอาวุธปืนที่พกติดตัวเราพอเจอฆ่าศัตรูก็ชักปืนออกมายิงได้เลยพอเจอตันหาความอยากพอเจอการมาตันหาก็ไตรักโผลขึ้นมาอสุภาพโผล่ขึ้นมาทันที พอเจอภาวะตันหาวิภาวะตันหาไตรักร็โผลขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่าปัญญาเต็มร้อยหรือปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญานี่แหละคือเต็มร้อยมีอยู่ตลอดเวลาไม่ดีว่าไม่ไม่อยู่ห่างไกลจากใจไม่เหมือนปัญญาของพวกเราตอนนี้เป็นปัญญาแค่ร้อยละสิบตอนฟังเทศฟังธรรมก็มีปัญญาพอเลิกฟังธรรม ปัญญาไม่รู้หายไปไหนหมดพอเห็นอะไรก็อยากขึ้นมาทันทีเห็นกาแฟก็อยากดื่มเห็นขนมก็อยากกินเอ่รู้ปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศหายไปไหนหมดกลายเป็นสัญญาไปหมดกลายเป็นความจำไปหมดแล้วก็หลงลืมไปหมดลืมจำได้แล้วก็ลืมไปฟังเทศกี่ร้อยครั้งได้ปัญญาในขณะที่ฟังพอเลิกฟังปั๊บพอความอยากโผล่ขึ้นมาปัญญาไม่รู้หายไปไหน อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่รู้หายไปไหนอสุภะไม่รู้หายไปไหนปฏิกูลไม่รู้หายไปไหน<ม>เห็นแต่ของน่ากินทั้งนั้นเห็นแต่ของสวยๆงามๆอยากได้ทั้งนั้นเห็นกระเป๋าก็สวยเห็นรองเท้าก็สวยเห็นอะไรก็ดีไปหมดตอนนั้นใจรักไม่รู้หายไปไหนสแสดงว่าไม่มีปัญญาเต็มร้อยสติไม่เต็มร้อยสติไม่สามารถดึงใจให้อยู่กับปัญญาได้ สติถูกกิเลสดึงไปหมดถูกตัณหาดึงไปหมดให้ดึงไปหารูปเสียงกินลดให้เห็นว่าน่าดูหน้าชมให้เห็นว่าสุขให้เห็นว่าจีรังถาวรให้เห็นว่าจะเป็นของเราไปตลอดอนะนั้นเลยทำให้ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้ถ้าสติสมาธิปัญญาไม่เต็มร้อยจะไม่มีกำลังพออยางนั้นเราต้องมาเสริมกาลัง ของใจเราด้วยการเจริญศรัทธาพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติตามศึกษาแล้วเราก็จะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอเราปฏิบัติถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยพอผลปรากฏขึ้นมาก็จะมีกําลังมากขึ้นที่จะปฏิบัติมากขึ้นเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะเต็มร้อยขึ้นมาได้ถ้าเราศึกษาไม่หยุด ถ้าเราปฏิบัติไม่หยุดตอนต้นก็เหมือนเด็กล้มลุกคุกทานไปก่อนแล้วต่อไปก็ยืนได้พอยืนได้ต่อไปก็เดินได้ต่อไปก็วิ่งได้พอวิ่งได้ก็ไปวิ่งมาละทธอนได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติของเราก็ต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้เราเป็นเหมือนทารกเราก็ต้องทาไปตามกำลังของเราก่อนอย่าไปอยากเกินกำลัง เพราะอยากเกินกำลังแล้วมันจะทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายเห็นคนอื่นก็าบรรลุภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเรานี่ปฏิบัติมาไม่รู้กี่ปียังไปไม่ถึงไหนมันก็จะทำให้เราหมดกำลังใจได้เราต้องอย่าไปเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเพราะคนอื่นกับเรานี้มีกำลังไม่เท่ากันเขามีกำลังมากกว่าเราเขาก็เลยได้ไปไกลกว่าเราเรามีกาลังน้อยกว่าเราก็ต้องไปตามกาลังของเรา แต่เราสามารถที่จะเพิ่มกําลังของเราให้มีมากขึ้นไปได้ถ้าเรามีการปฏิบัติมีการศึกษาไม่หยุดไม่หย่อนพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆถึงแม้มันจะช้าแต่มันก็จะมีการคืบหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้นี้มันตจริญเติโตช้าถ้าดูทุกวันนี้มันจะไม่รู้ว่ามีการจเจริญเติบโตแต่ถ้าปีหนึ่งสองปีเรากลับมาดูต้นไม้ทีเราจะรู้สึกโอ้ยมันโตขึ้นไปต้องเยอะ ถ้าเรามองกลับไปปีที่แล้วเราเปรียบเทียบกับปีนี้แล้วอาจจะบอกว่าปีนี้เราปฏิบัติได้มากกว่าปีที่แล้วถ้าเราเพิ่มปฏิบัติไปเดี๋ยวปีปีหน้าเรากลับมามองปีนี้เราก็จะเห็นว่าเราปฏิบัติมากกว่าปีนี้พยายามขอให้เราอย่าท้อแท้เบื่อหน่ายขอให้เรามีความแน่วแน่ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วรับรองได้ว่าจะต้องมีการเจริญ ก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนถ้าตราบใดเราไม่หยุดปฏิบัติถ้าเราหยุดศึกษาหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็จะเป็นเหมือนต้นบอใจมันจะไม่โตเตโตเห็นต้นบอใสไหต้นเล็กๆอยู่ในกระถางกี่ปีกี่ชาติมันก็ขนาดนั้นเราอย่าบอลใสจิตใจของเราอย่าบอลใสการปฏิบัติของเราเราต้องพยายามทาอยู่เรื่อยๆเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ เรียนให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วผลก็จะปรากฏมากขึ้นมาตามลําดับในที่สุดเราก็จะปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วผลเราก็จะได้เต็มร้อยคือได้หลุดออกจากตายภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการเข้าหาพระพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนกับเรือที่จะพาพวกเราให้ข้ามฟาก นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคาน เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกักปติอิทิตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนังราโสยะธาเมณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตภวัตอวันตรารโยสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรร ม, มวัฏทานติอายุวันโอสุขังภาลาังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติสงสัยไม่เข้าใจอยากจะทราบก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ะจะผ่านทางถามผ่านทางไมโครโฟนก็ขึ้นมาถ้าไม่อยากผ่านทางไมโครโฟนก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งคำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีผู้เอาไปอ่านคำถามให้ตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กสามร้อยสสิบเจ็ดคนครับ y o u t u ร้อยห้าสิบหกคนครับวิทยุออนไลน์สาสิบสองคนครับโฟร์ลังบนเขาร้อยห้าสิบเอ็ดคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบหกครับอาจารย์วันนี้มากหน่อยวันฟ้าอากาศ ด, ดีช่วงที่ผ่านมานี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีเจอแต่ฝนทุกวันเลยไม่ได้ฟังธรรมกันมากฟังแต่เสียงฝนแทน ทำสมาธิแทนก็ได้ประโยชน์อย่างยั่งนั่งสมาธิก็มีประโยชน์เพราะฟังธรรมก็เพื่อปเป่าไปนั่งสมาธินั่นเองถ้าฟังแล้วไม่นั่งก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรอา้าวมีคำถามเอ า, าเข้ามาเลยค่ะคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแต่หัวหน้าไม่ชอบเราเลย ทั้งทั้งที่เราในใจก็ไม่คิดไม่ดีกับเขาเราทำงานด้วยความตั้งใจเขาให้ทำอะไรก็ทำแต่เขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดีเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะทำอย่างไรให้เราอยู่กับเหตุ ก, การณ์นี้ได้เพราะตอนนี้ใจของเราดิ้นอยากจะลาออกขอพระอาจารย์โปรดเมตตาในคำถามนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะก็เรา ทำงานนี้ไม่ได้ทํางานเพื่อให้เขามาชอบเราเนี่เราทํางานเพื่อเอาเงินเดือนเขาเขาจะชอบเราไม่ชอบเราช่างหัวเขาขอให้เขาจ่ายเงินเดือนเราก็แล้วกันไปไปไปเอาในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานไปให้เขามาชอบเราได้ไงคนจะชอบเราไม่ต้องทําอะไรเขาก็ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบเราไม่ทําอะไรเขาก็ไม่ชอบก็มีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าจะเป็นคู่กรรมกันมาก็เลยไม่ชอบกันอ ถ้าชอบกันก็ถือว่าเป็นคู่บุญเงินมาะงั้นก็ทําใจและอย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าไปอยากให้เขาชอบเราเราไม่ได้มาทํางานเพื่อให้เขาชอบเราไม่ใช่เหรือเราทํางานเพื่อเอาเงินเดือนอแต่ได้เงินเดือนก็โอเคแล้วเขาจะชอบเราไม่ชอบเราไม่สําคัญโดยจะให้เขาชอบเราเราก็าไม่จ่ายเงินเดือนยาวหรือเปาถามต่อไป กราบเรียนถามพระอาจารย์เห็นทุกคือเห็นความอยากใช่หรือไม่ครับไม่เห็นทุกก็คือเวลาปวดร้าวหัวใจนี่เรียกเห็นทุกเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้นี่เรียกว่าเห็นทุกเห็นความอยากนี้เห็นต้นเหตุ ข, ของความทุกต อ, ตอนต้นต้องเห็นทุ ก, ก่อนเราต้องรู้ว่าเราทุกก่อนพอรู้ว่าเราทุกเราจะได้ค้นหาว่าเราสาเหตุของความทุกเกิดจากอะไรมันก็มีความอยากหลายอย่าง แ้วแต่ว่าเราอยากตอนนั้นอยากอะไรอยากให้แฟนพาไปเที่ยวพอแฟนไม่พาไปเที่ยวก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้ถ้าไม่อยากจะเสียใจก็เปลี่ยนใจถ้ไม่พาไปก็ไม่ไปก็ได้วะไม่อยากไปก็ได้พอหยุดความอยากไปเที่ยวได้เขาจะพาเราไปหรือไม่ไปก็ไม่เสียใจดังั้นเราต้องความเศร้าโศกเสียใจความปวดร้าวในใจความไม่สบายใจนี้เรียกว่าทุกข์เนี่ย ต้นเหตุของความไม่สบายใจเหล่านี้อยู่ที่ความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเพียงแต่คนอื่นก็ไม่ตอบสนองความอยากเราก็เลยทุกเราเราไปเราก็เลยไปคิดว่าเขาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราไม่ใช่ต้นเหตุของความทุกข์ของเราเราไปอยากให้เขาทาอะไรให้เราแล้วพอก็ไม่ทำให้เราเราก็เลยทุกถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทาอะไรให้เราเราจะทุกข์หรือเปล่าต้องต้องรู้จักค้นคว้ายถูกว่าสาเหตุเป็นอะไร ส่นใหเราจะไปโทษคนอื่นเวลาเราทุกข์เราไม่สบายใจเธอนี่แหะไม่ดีเลยเธอเนี่ยทําให้ฉันต้องเสียหายเดือดร้อนมันไม่ใช่อยู่ที่ความอยากของเราอยากได้นู่นได้นี่พอก็ไม่ทําให้เราก็เลยไปโทษเขาไปว่าเขาทําให้เราทุกข์ไม่เห็นต้นเหตุที่แท้ จ, จริงต้นเหตุที่แท้ จ, จริงกลับมาหายสามตัวเนี่ยไม่กามาตัญหาก็ภาวะตัญหาไม่ภาวะตัญหาก็วิภาวะตัญหาอย่างใดอย่างหนึง อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสกกามาตฐาหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่พอไม่ได้เป็นก็อยากให้เขารักเราอยากให้เขาชอบเราพอเขาไม่ชอบเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาวิภาวะฐาหาก็คืออยากแม่คนเกลียดเราไ ป, ไปเจอคนเกลียดก็อยากจะหนีหนีไม่ได้ก็ทุกข์อ่างนี้ก็อยา่าไปหนีแีเ่เขาเกลียดเราก็เขาเรื่องของเขาเราก็อยู่ของเราไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเ มาลักเราเราถ้าเราไม่มีความอยากจะหนีจากเขาเราก็ไม่ทุกข์ก็อยู่กับเขาไปคำถามจากคุณสุปราณีน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์<ม>อยากรบกวนถามว่าฝันเห็นคนนุ่งจงกระเบนสีแดงไม่มีหัวมาหาและต่อมาอีกคืนหนึ่งฝันเห็นกองถานมีม้งคลุมอยู่และต่อมาอีกคืนฝันว่า น้องสาวบอกว่าฝันหักหมายความว่าอย่างไรคะอ๋อความฝันเหล่านี้มันไม่มีความหมายอะไรหรอกเราปล่อยมันไปความเพ้อเจอ้อเพ้อฝันของใจเราเวลานอนหลับมันก็ฝันไปนอกจากว่ามันเราอมาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาอถ้ามันมาเตือนเราว่าจะตายแล้วนะอะจะรีบไปทําบุญเรืยไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็อ่าเป็นความฝันที่ดี ถ้าฝันว่าร่ำว่ารวยเดี๋ยวพอตื่นมาไม่รวยก็จะเสียใจเะ mm hmm. ฉั้นต้องรู้จักแยกแยะว่าความฝันกับความจริงเป็นอย่างไรความฝันนี่บางทีก็มีประโยชน์บางทีก็ไม่มีประโยชน์บางทีก็มีโทษเพรา้นเราต้องรู้จักว่าเราจะเอามาทำประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าเอามาทำมาโทษให้กับเราก็อย่าเอามาถ้าเอามาแล้วทาให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็อย่าไปคิดถึงมัน mm hmm. อย่าไปยุ่งกับมันรือคิดว่าจะรวยจะรวยกลับมาก็ไม่รวยสักทีทำให้เราเครียดไปรือเปล่าั้นความฝันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันสำคัญอะไรถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันก็ปล่อยวางมันรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบกหามถ้าเราสามารถเอามาทำประโยชน์ได้เช่นฝันว่าเราจะตายนี่รีบไปทางานรีบลาออกจากงานรีบไปปฏิบัติธรรม ถ้าอย่างเนี้ยเป็นประโยชน์ทําไปเลยเพอาบางทีถ้าไม่เห็นความตายมันก็ยังหลงติดอยู่กับการหาเงินหาทองหาความสุขอยู่พอเห็นว่าตัวเองจะตายนี่มันไม่ต้องการแล้ใช่ไหมต้องการจะไปสวรรค์อย่างเดียวต้องการจะหลุดพ้นอย่างเดียวมันก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทําบุญกับการปฏิบัติธรรมคำถามจากคุณวิไลกราบเรียนถาม ปัญหาเจ้าค่ะคือเพื่อนแบ่งยามาให้แล้วยานั้นหมดอายุทีนี้เราควรกลับไปบอกเพื่อนใหม่ว่ายานั้นหมดอายุเพราะมีเพื่อนบางคนบอกว่าอย่าไปบอกเพราะจะทําให้ยาให้คนที่ให้ยามาจะเสียใจดิฉันเป็นห่วงว่าเขาจะกินยาที่หมดอายุซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตับไต อ, อ๋อก็อยู่ที่เจตนาของเรา ถ้าเราหวังดีก็บอกเขได้แต่ถ้าไปพูดแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้คิดว่าเราหวังดีเขาคิดว่าเราไปตาหนิเขาเราก็ต้องยอมรับให้เขาคิดไม่ดีกับเราเพราะคนเรามันสามารถที่จะคิดไปในทางที่ดีก็ได้ไม่ในทางที่ไม่ดีก็ได้ถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าพูดก็แล้วกันถ้าไม่แน่ใจว่าพูดแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษก็อย่าไปพูดดีกว่า คำถามจากคุณแก้วเบอร์นาดกราบสาธุหลวงพ่อพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขอถามว่าเวลาลูกอาศัยอยู่ต่างประเทศวัดไทยจะอยู่ไกลไปยากหรือแทบไม่มีในบางเมืองถ้าลูกจะไปเข้าโบสถ์ของเขาแค่ไปนั่งเพื่อความสบายใจและด้วยความเคารพแต่ลูกเป็นชาวพุทธพุทธมาม ก, กะไปตลอดชีวิตค่ะแค่ไปโบสถ์เพื่อสะดวกใกล้ ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนั้นๆเพื่อความสงบใจและด้วยความเคารพบางทีเอาหนังสือสวดมนต์ไปสวดค่ะลูกทําผิดไหมคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกการที่ไปหาที่สงบนี้เป็นการเจตธรรมที่ถูกต้องแล้วที่ไหนที่สงบแม้แต่ไปนั่งในห้องส่วมก็ไม่ผิดนบางทีห้องส่วมนี่สงบที่สุดไม่มีใครไปรบกวนอนั้นการไปหาที่สงบเราเรียกว่าเปนการไปปลีกวิเวกน ดนันการไม่ว่าจะเป็นสถานที่นั่นจะเป็นของศาสนาไหนก็ตามถ้าเขาอนุญาตให้เราไปนั่งทําใจให้สงบไปอ่านหนังสือธรรมะถ้าเราไม่ไปรบกวนหรือไปทําอะไรให้เขาเสียหายก็ทําไปได้อย่าไปอย่าไปสร้างเรื่องเหมือนคนสมัยนี้มาอยู่เมืองไทยพอมาฟังเสียงระครังนอนไม่หลับก็เลยมาสร้างเรื่องทั้งๆ ท, ที่เขาตีระครังมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้ว ไม่รู้ว่าสาเหตุของการตีละฆังนี้มีไว้ทําไมสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาเข้าใจไหมมีก็ จ, จะมีที่วัดอยู่เรือนหนึ่งชาวบ้านก็ไม่มีนาฬิกาพระก็ไม่มีนาฬิกาเขาเลยต้องตีะระฆังบอกเวลาว่าถึงเวลาตื่นแล้วเว้ยถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ถึงเวลาภ า, าว น, นถว า, า, า, นาถึงเวลาทํากับข้าวกับปลาเตรียมใส่บาตยเขาจะต้องตีดังๆให้มันดังไปทั่วระแวกบ้าน เพราชาวบ้านบางทีเขาไม่มีนาฬิกาเขาไม่รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องตื่นขึ้นมาเตรียมอาหารใส่บาตรหรือยังอันนี้เป็นธรรมเนียมมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมทํากันมาไม่มีใครก็บน่นกันแล้วที่บ้านเขาเวลานาฬิกาบิ๊กเบนนาฬิกาบอร์เริ่มนีนน้ดั ง, ท, ง, ดงละละทำไมไม่มีใครไปบน่นใช่ไหมหรือบ่นเขาเวลาเขาลั่นละฆังก็ดังลั่นไปหมดทาไมไม่มีใครไปบ่น ให้มันเรื่องของคนประสาทอย่าไปเอามาถือเป็นสาระคนไม่รู้จักคิดไม่รู้จะเอาแต่ใจตัวเองคำถามต่อไปกรบนรัสการ์ค่ะรบกวนขอถามว่าผู้ที่สามารถบรรลุพระอรหันต์แล้วสามารถที่จะรู้เรื่องที่เป็นอาินใจเช่นจิตดวงแรกเกิดขึ้นได้อย่างไรจักรวานมีได้ยังไงหรือเรื่องเหล่านี้ จะยังคงเป็นปริศนาไปเรื่อยๆตลอดอนันตการขอบคุณมากค่ะ อ, อ๋อพระหลานถ้าท่านสําเร็จแล้วถ้าไม่สนใจกับอะไรแล้วสบายแล้วไม่ต้องไปหาเรื่องมาใส่หัวทำไมให้มันหนักหัวเปล่าๆมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมั น, เ, นเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วคําถามต่อไปจากคุณอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรมน้อมกราบนามัสกา ร, รพระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิจนถึงจุดเย็นแล้วพระอาจารย์สอนว่าต่อไปให้คอยจับตัวอยากโดยไม่ต้องนั่งสมาธิตอนนี้จับตัวทันไวขึ้นเห็นความคิดเกิดสักพักดับช่วงกลางวันระวังอารมณ์ที่กระทบแล้วมาดูที่ใจเห็นว่ากระทบแล้วเกิดลักษณะเป็นก้อนๆสักพักที่ใจแล้วดับ บางทีว่างที่ใจทันทีทำอยู่อย่างนี้ตลอดมาช่วงนั่งสมาธิสติจะเห็นจิตเกิดลับต่อเนื่องบางบางครั้งโล่งอิสระลกพยายามทำแบบนี้อยู่ขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะให้ด้วยเจ้าค่ะก็คอยกำจัดความอยากต่างๆอยู่เรื่อยๆพอใจเราเริ่มรู้สึกไม่สบายนี่แสดงว่าต้องมีอะไรอยากขึ้นมาแล้วลองค้นหาดูว่ามันอยากอะไร แล้วก็หยุดมันให้ได้ถ้าหยุดด้วยสติไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดนปัญญาก็ต้องให้เราเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นไตรลักษณ์หรือสิ่งที่เราอยากเป็นอสุภะแล้วเราก็จะหยุดความอยากเหล่านั้นได้คำถามจากคุณวิยะเอ็มแหยมขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าคําว่าอนัตตามีพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านอธิบายไว้ไม่เหมือนกัน เช่นไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่มีใครบังคับบัญชาได้ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ขอพระอาจารย์อธิบายความหมายที่ถูกต้องแบบเข้าใจง่ายๆก็เป็นธรรมชาติไงทุกอย่างเป็นธรรมชาติต้นไม้นี่ก็เป็นอนัตตาฝนฟ้าอากาศก็เป็นอนัตตาร่างกายของเราก็เป็นอนัตตามือถือนี่ก็เป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาหมด ไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีคนที่มาบอกว่านี่เป็นของฉันคนที่มาบอกเป็นของฉันนี่คือจิตจิตไม่ได้เป็นร่างกายจิตเป็นจิตจิตเป็นตัวที่หลงไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของจิตจิตมาตัวเปล่าๆเวลามาเกิดนี่เราจิตมาตัวเปล่าๆ แล้วก็จิตมาได้ร่างกายมาได้เข้าของเงินทองมาได้ญาติพี่น้องได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้สมบัติได้อะไรต่างๆพอจิตตายพอร่างกายตายไปจิตก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่เป็นของจิตเป็นของธรรมชาติมาจากดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทรมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนวัตถุดิบ ที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาต้นไม้อ่ออะไรต่างๆต้องมีดินน้ํำลมไฟร่างกายต้องมีดินน้ําลมไฟดฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนตัวตนนี้เป็นความรู้สึกนึกคิดของจิตคิดขึ้นมาเองทนั้นเองเป็นตัวหลงเป็นความหลงแม้แต่ตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนตัวจิตก็เป็นตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองถ้าศึกษาถ้าปฏิบัติไปแล้วก็จะสามารถ เข้าถึงความจริงเหล่านี้ได้พอทําใจให้สงบหยุดคิดความคิดว่าเป็นเราตัวเราของเราก็หายไปก็เราจะรู้ว่าคำว่าตัวเราของเรานี้มันมาจากความคิดของเราเองความคิดของจิตเองพอหยุดคิดตัวเราก็หายไปของเราก็หายไปก็เลยรู้ว่ามันเป็นเพียงความคิดแล้วเราก็ไปติดกับความคิดไปยึดมั่นกับความคิดเชื่อความคิดว่าเป็นของเราจริงๆ เราเลยไปรักไปห่วงไปห่วงมันพอมันจากเราไปก็เลยเศร้าโศกเสียใจคำถามจากคุณชูชูซิมิแกรบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ดิฉันได้ฟังธรรมจากท่านมีช่วงหนึ่งสรุปได้ว่าคนเรามีต้นทุนทางธรรมะไม่เท่ากันบุญที่สังสมมาไม่เท่ากันทำให้เกิดคำถามดังต่อไปนี้ ราวาะผู้มีปัญญาใฝ่กุศลเมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆมีโอกาสบรรลุพระโสดาบานันหรืออรหันต์ได้หรือไม่เจ้าคะก็อย่างที่บอกอะอยู่ที่ว่ามีอินท N4 ห้ามีเต็มร้อยหรือเปล่าถ้ามีสติมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเต็มร้อยก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวานะ ต่อไปหากสามารถบรรลุได้อะไรเป็นเหตุบอกให้ทราบว่าเขาเหล่านั้นได้บรรลุพระโสดาบันหรือพระอรหันต์แล้วเจ้าคะออก็ต้องคุยกันไงคนที่เป็นโสดาบันก็ต้องคุยกับคนที่เป็นโสดาบันก็จะรู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเหมือนคนที่จบปริญญาตรีพอคุยกับคนที่จบปริญญาตรีก็รู้ว่าเขาจบหรือไม่จบ จะไม่รู้ว่าคนที่จบสูงกว่าทเทนคนจบปริญญาตรีจะไปคุยกับคนจบปริญญาโทแล้วมามาม า, ม า, ม, ามารู้ว่าเขาจบโทรหรือไม่นี่บางทีเราไม่รู้จบเอกนี่เราก็ไม่รู้เราต้องจบด้วยเราถึงจะรู้เวลาเราคุยกับใครต้องคุยกันผ่านอาหาราเขาต้องคุยกันเจอกันต้องทักทายคุยถามถามเรื่องธรรมะกันถามว่าข้อนี้ทำอย่างไงข้อนั้นทำอย่างไร พอตอบข้อเหล่านี้ได้ก็รู้ว่าอ๋อเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ได้ตัวเองก็ต้องเป็นก่อนเราจะรู้ได้ในระดับของตนเท่านั้นระดับที่สูงกว่าตนจะไม่รู้ส่วนคนที่ไม่รู้เลยนี่จะรู้ได้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็รอให้เขาตายก่อนพอเขาตายแล้วก็ดูกเขากลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็จะรู้ว่าอ่าคนนี้เขาเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่รู้แบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้รับประโยชน์จากเขาถ้ารู้ว่าเขาเป็นพ่อหลนตอนที่เขายังอยู่นี่เราจะได้รับประโยชน์มากเพราะถ้าเราอยากจะเป็นพาอหลานเราก็ไปเรียนกับเขาพอไปเรียนกับเขาเดี๋ยวเขาก็สอนวิธีให้เป็นพาอหลานเราก็จะได้เป็นได้เพฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาจากพระพุทธ พระธรรมคําสอนซึ่งเป็นคําสอนของพระอาหารหันต์คือของพระพุทธเจ้าคําสอนในพระไตรปิฎกก็ได้โดยคําสอนของพระอาหารหันต์ที่ตายไปแล้วก็ได้เช่นหนังสือของหลวงตามาหาบัวหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเราก็ศึกษาได้แล้วเราก็ปฏิบัติต่อไปเราก็จะบรรลุพอบรรลุแล้วเราก็ไปคุยกับคนที่เราคิดว่าบรรลุหรือไม่ได้ ว่าเขาเป็นโสดาหรือไม่เป็นได้คำถามจากคุณสุภกรกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าภาวนาพุทโธจนจิตสงบนิ่งแล้วและถ้าเราจะออกจากสมาธิต้องทำเช่นไรคะก็รอให้มันอยากจะออกก่อนถ้ามันยังไม่อยากจะออกก็นั่งไปเรื่อยๆถ้ามันอิ่มมีความสุขสบายใจไม่อยากจะไปทำอะไรก็อย่าไปเด้งมันออกมา นั่งไปจนกว่ามันจะทนนั่งต่อไปไม่ได้มันอยากจะลุกค่อยลุกพอลุกออกมาก็จะเลิ่อนสติต่อรักษาความสงบรักษาใจไม่ให้คิดฟุง่งซ่านต่อไปแล้วก็ไปทาอะไรที่จำเป็นต้องทำพอว่างก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถเข้าสมาธิได้อย่างตลอดเวลาพอได้แล้วทีนี้เราก็มาคอยกำจัดกิเลสตัณหา เวลาออกจากสมาธิมาก็คอยดูจิตว่าตอนนี้เกิดความอยากหรือเปล่าถ้าเกิดความอยากหยุดมันได้ก็หยุดมันถ้าหยุดมันไม่ได้ก็เอาใช้เอาปัญญามาช่วยหยุดเนี่ยถ้ามีปัญญามันก็จะเห็นว่าทุกข์มันก็จะไม่อยากได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม <c oughs> กรณีที่เรา <c oughs> ฝากเงินคนอื่นไปทำบุญแล้วคนรับฝากก็นำเงินเราไปทาบุญ ผลบุญจะต่างหรือเหมือนกันอย่างไรขออนุ ญ, ญาตค่ะ อ, อ๋อเหมือนกันเราบริจาคร้อยบาทเราก็ได้บุญร้อยบาทถึงแม้ก็ไม่เอาไปทําก็ไปใช้เราก็ยังได้บุญอยู่เพราะบุญเกิดจากการบริจาคมันไม่ได้เกิดอยู่ว่าบุญเงินนั้นเอาไปใช้ทําอะไรเราฝากเขาไปทําบุญที่วัดแล้วเขายังมีกิเลสอยู่เขาขอยืมไปใช้ก่อนอย่างนี้เราก็ยังได้บุญอยู่เพราะเราได้บริจาค ได้เสียสละยังเวลาถ้าเราไปรู้ว่าเขาไม่ได้เอาเงินเราไปทําบุญเราอย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจเราก็คิดว่าทําบุญกับมันแทนก็แล้วกันแทนที่จะทําทบุญกับวัดก็เลยต้องทําบุญกับมันไปก่อนแต่คราวหน้าเราก็อย่าไปใช้มันอย่าไปหวากมันนั่นเอง <laughs> ถ้าเราอยากจะให้ไปถึงวัด่คำถานจากคุณอนุวัตรแกรบนมัสการเจ้าค่ะคือตอนนี้ ดิฉันไม่สบายแต่อยากทำสมาธิสามารถให้อริยบทท่านอนได้ไหมคะได้ท่าไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะหลับง่ายเท่านั้นเองแต่เมื่อเป็นไม่สบายมันทาอยู่ในท่าอื่นไม่ได้ก็ทำในท่านอนไปแต่อาจจะทำไม่ได้มากแค่นั้นเองพอพุโทโธได้สองสามคก็คลอกขึ้นมาก็ยังดีกว่านอนตื่นแล้วทรมานใจ ดัง น, นเราควรที่จะฝึกตั้งแต่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีกําลังสติมีกําลังแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ก็ไม่หลับถ้ามีสติมีกําลังมันก็จะสามารถนั่งนอนสมาธิได้ทําใจให้สงบได้อีกประการคือตอนเช้าดิฉันอยากลุกไปใส่บาตรแต่ทําไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจเจ้าค่ะ จะแก้ไขอย่างไงได้บ้างคะก็ให <ST IT US> ้พระเขาตีระฆังเรียกสิสมัยนี้ไม่ตีระฆังกันนะชอบนอนดึกชอบเที่ยวดึกดึกนะมันก็ตื่นตื่นไม่ไหวสิหรือไม่ไม่เที่ยวก็ดูละครจนดึกดูหนังจนดึกดูฟุตบอลจนดึกพอถึงเวลาจะตื่นเช้าก็ตื่นไม่ไหวสมัยก่อนเขาไม่มีของพวกนี้ชาวบ้านพอมืดค่าเขาก็หลับนอนกันตั้งแต่หัวค่ำ พอตีสี่พระตีระครังก็ตื่นขึ้นมาพักผอนหลับนอนพอสมัยนี้คนนอนดึกกันนอนตีสามตีสองนี่พอพระตีระครังตีสี่ก็เลยก็เลยหัวเสียขึ้นมาท่านหนึ่งเพราะนอนไม่พอก็อเอาหูอะไรปิดหูสิถ้าไม่อยากจะฟังเสียงระครังก็อเอาอะไรอุดหูแค่นี้ก็จบแล้ะไปวุ่นวายไปยุ่งไปยุ่งยากกับคนอื่นเขาทาไมปัญหามันอยู่ที่ตัวเรา คำถามจากลายจิตเราไม่สามารถบังคับได้เวลาที่จิตคิดอกุศลจิตเรามีสติรู้เห็นจิตคิดอกุศลแต่มันไม่หยุดคิดความคิดอกุศลแบบนี้เราควรพยายามหาอุบายเพื่อให้หยุดคิดหรือตามรู้แบบมีสติไปเรื่อยๆแบบไหนจะถูกต้องกว่ากันครับต้องใช้พุทโธเท่านั้นถึงจะหยุดมันได้ เวลาคิดไม่ดีแล้วก็พูดโธพูดโธพูดโธไปถ้าเราอยู่กับพูดโธมันก็จะไปคิดเรื่องไม่ดีไม่ได้อย่าไปตามคิดยิ่งตามคิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่เลยงั้นอย่าไปคิดพอมันคิดไม่ดีก็พูดโธพูดโธไปแล้วมันก็จะหยุดคิดนต่อไปพอเรารู้ว่าเราหยุดการคิดได้เวลาคิดไม่ดีก็สอนมันสอนว่าอย่าคิดแบบนี้คิดแบบนี้ไม่ดีต่อไปมันก็จะไม่คิดคำถามจากบนเขา หากคนรอบข้างเราคาดหวังกับเราให้เราดีขึ้นกว่าเดิมในทางโลกแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีอยู่แล้วเราควรทำอย่างไรคะก็ปล <pe> ่อยวางเลยเรื <pe> ่องของเขากับเรื่องของเราเป็นคนละเรื่องกันเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราก็อย่าไปเต้นกับเขาอย่าไปเหมือนจิ้งหลีดมจิ้งหลีดพออะไรไป เอาขนอะไรไป เ, เขี่ยหัวมันหน่อยมันก็ร้องกรี๊ดกรีดกรดกี๊ขึ้นมามันคันมันก็เลยร้องขึ้นมาพอขนรอบข้างเขามาเขี่ยล้วหน่อยแล้วก็เต้นขึ้นมาไม่ต้องไปเต้นเราก็อยู่ของเราไปที่เราเฉยไม่ได้เพราะเราขาดสติขาดสมาธินั่นเองนี่นเราต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิให้มากให้จิตเป็นอุเบกขา พอจิตเป็นโอเคค่ะแล้วต่อไปจิตจะไม่สนใจต่อความคิดต่างๆของคนตราบใดที่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเสียหายแล้วเขาคิดไม่ดีคิดเรื่องที่เราทําให้เขาไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายใจยนี่เราวุ่นวายใจเพราะเหน่งเราอยากจะเอาใจเขาไม่อยากจะให้เขาอโกรธเราเราก็เลยวุ่นวายใจเพราะเราไม่สามารถทําตามที่เขาอยากได้ดนั้เราต้องมาฝึกสมาธิฝึกสติ ทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาแล้วใจจะเฉยต่อการวิาพากวิจาร์ต่างๆของคนรอบข้างคนถามจากคุณพรีดอมบีกรบนามัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะการที่ไปนับถือพระแม่กวนอิมและทำบุญกับพระสายมหายานถือว่าผิดหลักธรรมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสมัมมา ส, สัมพุทธเจ้าหรือไม่คะพระพุทธเจ้าให้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักแต่การที่เราจะาไปไหว้โทกไหว้เทพไหวอะไรก็ไหว้ได้แต่มันไม่เกิดประโยชน์เท่ากับการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีใครที่จะสอนให้เราได้อย่างถูกต้องแม่นยําำ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไปกราบเทวรูปไปกราบอะไรต่างๆนี้มันไม่เกิดประโยชน์แม้แต่พระพุทธรูปก็ไม่เกิดประโยชน์ไปกราบก็เพื่อให้เราเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนและเลิกถึงพระอริยสงสาวกเพื่อเราจะได้ไม่อยู่ห่างไกลเท่านั้นเองแต่การไปกราบพุทธรู ป, รปเทวรูปหรือะไรต่างๆนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาก ได้ก็เพียงแต่การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่า น, นั้นเองแล้วถ้าเรากราบเป็นเราก็จะได้ได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถ้าไปกราบเจ้าแม่กนีมก็จะได้แต่เจ้าแม่กนิมก็ทำะไรให้เราไม่ได้เจ้าแม่กนีมก็เป็นเพียงแต่เป็นรูปเป็นรูปปั้นอันหนึ่งท่านเองแล้วเจ้าแม่กนีมก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระ อรียสงสารวกท่านก็สอนถ้าเจอตัวจริงก็สอนเราไม่ได้เพราะตัวท่านเองยังไม่เป็นแล้วท่านจะมาสอนเราให้เป็นได้อย่างไรยั้นการไปกราบสิ่งต่างๆนี้ต้องรู้ว่าเรากราบเพื่ออะไรกราบเพื่อเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากราบหรือไม่ถ้ากราบแล้วไม่ได้รับประโยชน์กราบไปก็ก็เสียเวลาเปล่าๆกราบแล้วต้องได้ประโยชน์การกราบพระนี้ได้ประโยชน์คือเมื่อ ทำให้เราไม่ลืมพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ทําให้เราจะไดเ้เข้าสู่การศึกษาเข้าสู่การปฏิบัติต่อไปคําถามจากคุณสลันยูกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอถามครับนั่งสมาธิแล้วพุทโธหายไปลมหายใจหายไปจิตกับสติและร่างกายสงบเราควรจะทําอะไรต่อไปครับ ถ้าตัวรู้อยู่ก็ให้อยู่กับตัวรู้ไปถ้าถ้าตัวรู้หายไปด้วยก็แสดงว่าหลับพุโทโธก็หายลมก็หายตัวรู้ก็หายก็แสดงว่าหลับถ้าพุโทโธหายอลมหายแต่ตัวรู้อยู่ก็แสดงว่าสงบก็ให้อยู่กับตัวรู้ไปคำถามจากคุณขวัญเจ้าคะ่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์วันก่อนหนูทําเอกสารส่งบัญชีบริษัท <c oughs> หนูได้เงินคืนจำนวนหนึ่งซึ่งมากกว่าจำนวนที่หนูได้แต่หนูก็รับเงินมาค่ะหนูรู้สึกไม่สบายใจกับเงินส่วนต่างที่หนูได้รับมาถึงแม้ตามเอกสารที่พี่เขาทำคือคืนเงินให้หนูจำนวนหนึ่งก็ตามหนูผิดศีลไหมคะหนูยังโลภอยู่ไหมใช่ไหมคะถ้าไม่คืนเขาก็โลภอลยถ้าไม่ใช่เป็นของเราก็คืนเข้าไป แต่ถ้ายัางยินนะว่าจะให้เราเราก็สาธุไปออังจางนั้นเราเพื่อเผื่อเขาผิดพลาดเขาหยิบหยิบเงินผิดนับเงินผิดอย่างงี้เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงว่าเงินที่เราควรจะรับมันแค่นี้ถ้ามากกว่านี้ก็แสดงว่าต้องไปทําความเข้าใจกันก่อนว่าเงินส่วนนี้มีไว้ทําไมถ้าเขาบอกว่าเป็นค่าน้ํามันรถของคุณอะไรงี้เพื่อตอบแทนน้ําใจอันนี้เราก็รับไปได้แต่ถ้าเขาบอกโอ้ยเสี ขอโทษทีขอโทษทีนับผิดไปอย่างนี้เราก็ต้องคืนครัาเพราะไม่งั้นเขาจะเสียหายเดือดร้อนได้คำถามจากคุณประภาสวิยมกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งภาวนาโยมดูลมหายใจเข้าพุทโธแล้วลมออกหายโทหายใจทโทค่ะแต่เวลายมทำงานโยมจะนึกพุทโธอย่างเดียวแต่ไม่จับลมหายใจเจ้าค่ะ ทำแบบนี้จะผิดไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกใช้ได้ทั้งสองอย่างพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ลมอย่างเดียวก็ได้พุโทโธกับลมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่โอกาสอันไหนสะดวกอันไหนสบายก็ใช้ อ, อันนั้นไปเป้าหมายอันเดียวกันคือไม่ให้ไปคิดคลุ้งร้านนั่นเองเอาคำถามสุดท้ายนะค่ะคําถามจากคุณสาวกุลสอบถามค่ะ การดูจิตเราต้องทำแบบไหนคะคือการรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่คะการดูจิตได้ต้องได้มีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังดูเวลาเวลาจิตมันพยศจะหยุดมันไม่ได้ยังต้องมีกำลังหยุดจิตให้ได้ก่อนหยุดถ้าเรามีกำลังหยุดจิตแล้วต่อไปเราก็ดูจิตดูจิตว่าสงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบก็ต้องทำให้มันสงบ ถ้ามันโลภ ก, ก็ต้องหยุดความโลภถ้ามันโกรธก็ต้องหยุดความโกรธแต่ถ้าเราไม่มีกําลังไม่มีสมาธิเราจะหยุดมันไม่ได้ดังนั้นก่อนที่จะดูจิตได้เราต้องมีมีกำลังก่อนต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิน็นเนตเปจารณาไปปฏิบัติ